ในพุทธประวัติตอนนี้ก็ยังไม่ได้กล่าวถึงชาติคือความเกิดต่อเมื่อพระองค์ได้ทรงพบทางที่เป็นมัชกิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติันเป็นหนทางกลางดรืยพระองค์เอง ได้ทรงพิจารณาด้วยพระปัญญาที่เป็นสัมมาทิฐิคือความเห็นชอบจิงได้ทรงพบว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิด เมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรเป็นอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรอคือไม่ตาย ใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับดังกล่าวจึงได้ทรงพบสัจจะคือความจริงวันสมุทัยคือความเกิดด้วยเหตุเกิดของชราบรรณะนั้นก็เพราะชาติเมื่อมีชาติ ก็มีชารามีมรณะอันนับมาเป็นสมมทิทิคือความเห็นชอบตามที่พระราศาสนาดิบุตรท่านได้อธิบายและพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงพิจารณาสืบค้นขึ้นไป ว่าความเกิดขึ้นแห่งชาติหรือเหตุเกิดแห่งชาตินั้นคืออะไรก็ได้ทรงพบว่าก็คือพบเพราะพบเกิดขึ้นชาติจึงเกิดขึ้นเพราะพบมีขึ้นชาติจึงมีขึ้นดังที่ท่านพระสารีบุตรได้นำอธิบาย ในขั้นนี้และพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้สองคนคว้าสืบสืบขึ้นไปแต่ในขั้นนี้นั้นเอาเพียงแค่ว่าเพราะมีพบหรือเพราะพบเกิดขึ้นชาติ จึงมีชาติชาติจึงเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นแห่งภพจึงมีความเกิดขึ้นแห่งชาติก็เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นในโลกนี้ซึ่งเป็นพระพุทธสรู ได้ตรัสรู้พบสัจจะคือความจริงตั้งแต่ในขั้นนี้วัชรามรณะนั้นมีเพราะชาติคือความเกิดและชาติคือความเกิดมีขึ้นก็เพราะมีพบ นี้เป็นสัจจะคือเป็นความจริงที่เป็นความสัจสรูของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าคือพระภูตัจสรู้ที่เรียกชื่อว่าพุทธนี้เท่านั้นจึงสัจสรู้ดังนี้ศาสดาก่อนแต่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น หรือแม้ภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงมันเกิดขึ้นก็นไม่ได้มีผู้ใดแสดงดังนี้ได้ตรัสรู้ดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์เป็นสิทธัตถราชกุมารเมื่อ เสด็จออกทรงผนวดแล้วได้ทรงเข้าศึกษาในสำนักท่านอาจารย์อาลาระดาบทและคุตกะดาบทได้ทรงศึกษาจบสมาบัติเจ็ดสมาบัติแปดซึ่งเป็นสมาธิอย่างสูงตามลทัทธิ ของท่านดาบ ท, ทั้งสองอนันซึ่งยังปฏิบัติสมาธิดังกล่าวเพื่อพบชาติซึ่งเข้าใจว่าเป็นอมรคือไม่ตายดังเช่น ที่บัญญัติว่าเป็นพรหมหรือเป็นเทพชั้นสูงสุดชั้นใดชั้นหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นอันว่าปฏิบัติลทัทธิสมาบัติทั้งปวงนั่นเพื่อชาติคือความเกิด ซึ่งความเกิดในพบชาติที่ไม่ตายนั้นไม่มีเมื่อมีชาติคือความเกิดแล้วจะในพบชาติใดก็ตามก็จะต้องมีดับต่างแต่เร็วหรือช้าเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าไม่มีเทพาดาไม่มีพร้อม เทพดาพรหมมีซึ่งเมื่อปฏิบัติตามลทัทธิสมาบัตินั้นก็ไปได้แต่ว่าแม้ไปเกิดเป็นพรหมเป็นเทพนั้นๆก็ชื่อว่ามีชาติคือความเกิดก็จะตมีตายมีดับจึงเป็นอันว่าไม่พ้นทุกข์ เพราะยังต้องมีเกิดมีดับและยังมีตันหาคือความอยากอันเป็นโบลโนภวิกาเป็นไปเพื่อเกิดในภพชาติใหม่ก็เป็นอันว่ายังไม่สิ้นกิเลสยังไม่สิ้น ขาดสินพบยังไม่สิ้นทุกยังในเสด็จหลีกออกไปส่งบำเพ็ญทุกกิริยาแต่ก็ไม่ทรงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์เพราะไม่เป็นทางให้เกิดปัญญาที่จะรู้ถึงสัจจะคือความจริง ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้แต่ก็เป็นอันว่าแม้ในขั้นที่ทรงละสละสำนักของท่านราบ ท, ทั้งสองนั้นก็ได้ทรงร่มที่จะเข้าประไทยที่จะรู้ว่าเมื่อยังมีชาติคือความเกิดอยู่ก็จะต้องมีชารามีมรณะ ยังมีทุกข์เพราะฉะนั้นก็จะต้องหาทางปฏิบัติเพื่อดับชาติคือความเกิดซึ่งทางปฏิบัติเพื่อดับชาติคือความเกิดนี้ยังไม่มีศาสดาใดสั่งสอนมีแต่สั่งสอน ที่จะให้ไปเกิดในภพชาติที่เข้าใจว่าเป็นอมรคือไม่ตายดังที่กล่าวนั้นซึ่งหามีไม่ตามความเป็นจริงดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่าแม้ในขั้นนั้นพระโพธิสัตว ก็ได้มีพระปัญญาที่ได้ทรงพิจารณาเห็นจับเหตุจับผลจับลูกโซ่ของสังสารวัฏจับตั้งแต่ความแก่ความตายามีเพราะชาติคือความเกิด แต่ก็เมื่อไม่มีาศาสตาใดจะรั่งสอนว่าจะนับชาติได้อย่างไรจึงต้องสรงหาเอาเองโดยทรงปฏิบัติค้นคว้าต่อไปจนในทรงพบทางที่เป็นมัชชิมาปฏิปทาดังกล่าวาฉะนั้นเงื่อนของธรรมะตอนนี้จึงเป็นเงื่อนสำคัญที่ผู้ศึกษาปฏิบัติ ธรรมะทางปัญญาหรือทางวิปัสนาจะต้องทำความเข้าใจและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบที่เข้ามาสู่สัจธรรมคือพระธรรมวินัยในศาสนานี้ถูกตรอง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 นอกน้อมนมัสการพระภูมิพระภาพอารหันตสมาสุทเถเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พรอมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงเรื่องสมาธิิตามเทระธิบายแห่งระษาริบุตรเทระมาโดยลำดับ จนถึงท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอธิบายจับชารามรณะรว่ามีเพราะชาติคือความเกิด าตคือความเกิดมีพระภพและภิกษุทั้งหลายก็ได้กราบเรียนถามท่านอีก วัสมาธิทิฏฐิคือความเห็นชอบจะมีอธิบายอย่างไรอีกท่านก็ตอบว่ามีและท่านก็จับอธิบายต่อไปซึ่งมีความว่า ความเห็นชอบคือสมมธิทิินั่นก็คือรู้จักความเกิดขึ้นแห่งพบว่ามีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอุปาทาน โดยที่ท่านได้ให้คำอธิบายเป็นหัวข้อไว้ก่อนว่าสมมทิทีิความเพนชอบที่จะพึ่งอธิบายได้ต่อไปนั้นก็คือความรู้จัก ความรู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งพบรู้จักความดับพบรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับพบเมื่อมีความรู้จักดังนี้ ก็ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบปุชุกะทิฏฐิเห็นตรงทําให้ได้ความเลื่อมใสไม่หวนไหวในพระธรรมและนำมาสู่สัทธธรรมคือพระธรรมวินยัยในศาสนานี้ ดังนี้และท่านก็ได้อธิบายขยายความในข้อแรกว่ารู้จักพบก็คือรู้จักว่าพบนั้น มีสามคือกามาพบรูประพบรูปประพ บ, ะพบอันคำว่าพบนั้นมักจะพูดกันคู่กับชาติว่าพบชาติ ซึ่งดูเหมือนจะคล้ายๆกันหรือเป็นอันเดียวกันและก็ได้มีอธิบายพบทั้งสามนี้ไว้ด้วยว่าในกณโลก อันเป็นที่บังเกิดขึ้นของสัตว์ทั้งหลายและโลกที่บังเกิดขึ้นของภูที่ยังท่องเที่ยวไปในกาม โรเล็กวากามาพบส่วนโลกที่มังเกิดขึ้นของภูที่ท่องเที่ยวไปในรูปอันหมายถึงได้รูปประชานได้รูปปะสมมาบัต อันเป็นชั้นพรหมคือชั้นรูปประพรหมก็เรียกว่ารูปประพบส่วนโลกอันเป็นที่บังเกิดขึ้นของรูที่ท่องเที่ยวไปในอรูปคือได้อรูปประชาน อรูปสมาบัติคือเกิดเป็นอรูปปรมก็เรียกว่าอารู ป, ปพบนี้เป็นอธิบายทั่วไปและก็อธิบายทั่วไปนี้เองที่ได เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปดังนี้และก็พูดควบคู่กันไปกับชาติวัชชาติพบดังกล่าวแต่ว่าในธรรมะที่อาศัยกันมังเกิดขึ้น เป็นลูกโซ่โยงกันไปอันเรียกตามสัพปะปฏิจสมุขบาตธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นที่ท่านประสาลิบุตรมาจับอธิบายสแสดงสมมาทิฐิคือความเห็นชอบก็ที่รู้จัก ธรรมะที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นอันโยงกันไปเป็นลูกโซ่นี้ท่านจับแต่ชรามรณะว่ามีเพราะชาติคือความเกิดชาติคือความเกิดก็มีพระพบและใน ตอนนี้ท่านก็สนแสดงว่าพบก็มีเพราะอุปาทานแต่ในข้อแรกที่ท่านตั้งขึ้นเป็นหัวข้อท่านก็จับเอาพบขึ้นเป็นที่ตั้งวัสมาธินั่นคือความรู้จักพบ รู้จักพบสันสมไทยเหตุเกิดพบรู้จักภพกันนิโรธรู้จักพบนิโรธความดับภพบรู้จักพบหรือภาะวะนิโรธาคาไมินีปฏิปทาขอปฏิบัติให้ถึงความดับภพบดังที่กล่าวเมื่อเป็นดังนี้ พบกับชาติจึงต่างกันและชาติมีเพราะพบความเกิดขึ้นแห่งชาติก็มีเพราะความเกิดขึ้นแห่งพบเมื่อเป็นดังนี้คำว่าพบในที่นี้จึงมีอธิบายต่าง จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอธิบายจำเพาะในมวดธรรมที่อาศัยกันมันเกิดขึ้นโยงกันไปเหมือนดังลูกโซ่ดังกล่าวนั้น และท่านก็ได้อธิบายไว้ว่าพบหรือภาวะในที่นี้มีสองคือกรรมมาภพบพบคือกรรมอุปปัติภพบพบคืออุ ป, ปบัติคือความเข้าถึง คว่ากรรมนั้นก็ได้แก่การงานที่กระทําทําทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทาทางวาจาก็เรียกว่าวจิกกรรมทําทางใจก็เรียกว่ามโนกรรม หมายถึงการงานที่กระทเด้วยความจงใจการเรียกว่าเจตนาเมื่อเจตนาคือจงใจทำการที่กระทานั้นจึงเป็นกรรมให้บังเกิดผล กรรมดีก็ให้ผลดีกรรมชั่วก็ให้ผลชั่วนี่เป็นอธิบายกรรมทั่วไปดังได้มีพระพุทธภาษิต ท, ที่ตัดเอาไว้แปลความว่าเราตถาคตกล่าวเจตนาคือความจงใจว่าเป็นกรรม พระบุคคลจงใจแล้วจึงทาทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างดังนี้แต่แม้เช่นนั้นในการแสดงกรรมโดยพิสดารท่านก็ยังจัดกรรมที่ทำโดยไม่ได้มีเจตนา คือไม่จงใจไว้ว่าก็เรียกว่าเป็นกรรมประเภทหนึ่งเหมือนกันเรียกว่าขัตตากรรมกรรมที่สัจเดวธรรมพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่า การกระทำบางอย่างที่กระทำไปแม้มิได้เจตนาแต่อาศัยความประมาทเลินเล่อเผลอเพลินพลาดพลัง้งโทษได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น ท่านจึงจัดเอาไว้เมื่อเป็นกรรมประเภทหนึ่งด้วยก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่ากล่าวโดทั่วไปแล้วเมื่อมีเจตนาคือจงใจทำท่านจึงเรียกว่าเป็นกรรมอ้างพระพุทธภาษิต ดังที่ได้ยกมาแปลไว้ข้างต้นนั้นเพราะฉะนั้นกรรมจึงเกิดจากใจใจที่จงใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นกรรมขึ้นมาทางใจก่อน อันเรียกว่ามโนกรรมและเมื่อได้พูดออกไปด้วยใจที่มีความจงใจนั้นก็เป็นวจิกรรมเมื่อทำทางกาย ออกไปก็เป็นกายกรรมเมื่อบังเกิดขึ้นอยู่ในใจจงใจอยู่ในใจอย่างใดอย่างหนึง่งโดยคิดไปก็เป็นมนโนกรรมเพราะฉะนั้นกรรมจึงเกิดจากใจ แนีลำพังคิดไปในใจ